ส่วนโยมทั้งหลายเชี่ยวชาญจิตเวชศาสตร์ก็มีหน้าที่เอาไปคิดเองนะไปพิจารณาเองว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นมันเกี่ยวข้องอย่างไงกับจิตเวชศาสตร์มีไทยด้วยนะอย่างก็ว่าศาสนาพุทธนี่มีเฉพาะเมืองไทยคือพระพุทธศาสน า, า, า, า, า, า, าจริงๆเนี่ยเป้าหมายหลักก็คือทํำยังไงเราจะลงมือปฏิบัตินะ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 ถ้าเราศึกษาธรรมะนะด้วยปริยัติมันก็เรียนไปอย่างนั้นแหละแต่ถ้าลงมือปฏิบัติเมื่อไหร่เราจะเห็นกระบวนการทํางานของจิตนี่มีจริงๆ จ, จิตจะปลูกแตง่งเรียกว่าจิตมันปลูกแตง่งมันจะทํางานทําดีบ้างทําไม่ดีบ้างนะทำแล้วมีสติบ้างทําแล้วขาดสติบ้างทําจนเพี้ยนไปเลยก็มีถ้าเมื่อไหร่เราสามารถเรียนรู้เรื่องจิตได้แจม่มแจ้งรับรองว่าไม่บ้าหรอกจะมีความสุขนะ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 หรือทุกข์กับการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์น่ขอบเขตมีอยู่เท่านี้เองถ้าใจมันไม่ทุกขนะ์น่ะยกเว้นแต่ร่างกายผิดปกติจริงๆอะ่ะมันก็ไม่มีทางเพี้ยนหรอกแต่ว่าถ้าร่างกายมันผิดปกติไปนะมันจะเกิดจากเขตอื่นๆที่ไม่ใช่เกิดจากจิตใจไอ้นี่โอกาสเพี้ยนมันก็ยังมีอยู่กนะ็ต้องอาศัยหมอไปรักษาแต่เท่าที่สังเกตเยอะแยะเลยส่วนมากใจมันเครียด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 ถ้าหัดเรียนกรรมฐ า, านกับหลวงพ่อสักช่วงหนึ่งนะจะเห็นเลยทั้งวันนี้เต็มไปด้วยความชั่วพูดจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะตอนที่เรายังภาวนาไม่เป็นเราจะรู้สึกว่าเราเป็นคนดีแต่ลงพาอนาให้เป็นสิจะรู้เลยว่าหานางมันร้ายนี่ไม่ต้องไปหาที่อื่นเลยนะหายซาตานไม่ต้องไปหาที่อื่นยอยู่ที่ตัวเองนี่เองเราจะเห็นเลยว่าใจเราทั้งวันทั้งวันนั้นมันคิดแต่ชั่วชั่วทำแต่ชั่วนะชั่วนะปรุงแต่ชั่วๆวความเคยชินเป็นอย่างนี้เองนะ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 อยจิตและใจเรากาลังสงสัยว่ามีดอกไม้กี่ชนิดเราไม่รู้ทันว่าใจกําลังสงสัยอยู่นะใจเราวิ่งไปอยู่ที่ดอกไม้เราลืมตัวเองเมื่อไร่ลืมกายเมื่อไหร่ลืมใจนะในทางศาสนาพุทธเรียกว่าขาดสติเะฉนั้นะเราจะค่อยๆพัฒนาสติขึ้นมานะต่อไปจะพัฒนาให้เกิดปัญญาถ้ามีสติมีปัญญาแล้วรับรองไม่เป็นโรคจิตอกนะใจจะเครียดไม่ได้ความทุกข์มันเกิดขึ้นทีเผลอนะความทุกข์ทางใจ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 ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นมาค่อยรู้อยู่ที่ใจของเรานี่รู้เล่นๆอย่าไปเพ่งอย่าไปจ้องไว้อย่าไปเฝ้ารู้ไว้ให้ความรู้สึกนี่เป็นกฎข้อที่หนึ่งนะของการที่จะดูจิตกฎข้อที่หนึ่ง <Umwelt> ให้ความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยรู้อย่าไปดักไว้อย่าไปจ้องไว้อย่าไปรอดูไม่ใช่ไปรอจ้องว่าเมื่อไรจะมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นถ้าไปจ้องไว้เนี่ยมันจะนิ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นเั้นเราอย่าไปจ้องไว้นะ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 พอความสุขเกิดขึ้นมันจะไม่หลงยินดีความทุกข์เกิดขึ้นมันจะไม่ยินร้ายความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นพอสติระลึกมันจะดับสันทิเลยนะเราค่อยๆฝึกไปจนปัญญามันเกิดมันจะเห็นทุกอย่างเป็นของชั่วคราวถ้าเราเห็นทุกอย่างเป็นของชั่วคราวเนี่ยจิตจะหมดการดิ้นรนจิตที่เครียดขึ้นมาได้จิตที่ทุกข์ขึ้นมาได้เป็นบ้าเ ป, บเป็นบอไปได้นะเพราะมันดิ้นรนไม่เลิกมันดิ้นรนไม่เลิกเพราะมันอยากอยากอะไรอยากดี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 เป็นความสุขที่ใจที่พ้นจากความรุงแต่งดังนั้นพวกเราค่อยๆเรียนนะค่อยๆศึกษาพวกเราบุญเหลือเกินแล้วที่เราได้เกิดในแผ่นดินซึ่งยังมีธรรมะอยู่นะอย่าจะให้เสียโอกาสนะให้เสียโอกาสจิตแพทย์ก็เป็นโรคจิตได้นะเครียดได้ไหมถามหน่อยถามซื่อๆพวกเราเครียดบ้างไหมรถติดเครียดไหมจะท้องฝูกเครียดไห ม, ไมเรื่องเล็กๆน้อยๆก็เครียดหมดนะ จริงๆแล้วจิตใจเราเครียดทั้งวันเลยจิตใจเราเครียดอยู่ตลอดเวลาเลยนั่งแล้วเมื่อยเครียดไหมนั่งแล้วแสงส่องหน้าอย่างหลวงพ่อเนี่ยเครียดไหมไม่เครียดหรอกถ้าเราฝึกให้ดีตำรวจมันมาส่องจะสอบสวนเรานะเราก็สบายใจมันหลอกเราไม่ได้อยี่ที่เราฝึกนะฝึกจนกระทั่งใจเราไม่กระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงต่อสภาพแวดล้อมใจไรเป็นอิสระ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 ไม่ใช่แค่สักว่าเห็นสักว่ารู้นะแต่ผิดจ้องเอาไว้ไปิดเพ่งเอาไว้ก่อนไปตามรู้ตามสูปิดดักดูไว้จ้องตลอดเวลานะน้อมจิตให้แนมอยู่ในอารมณ์มันเดียวเครียดนะเพราะจิตมันอยากจะดิน้นจิตนี้เหมือนเด็กเด็กเนี่ยเราบังคับมันมากเด็กมันจะเครียดถ้าจิตนี้เหมือนเหมือนกับเด็กนะเด็กมันสนเนี่ยเราอย่าไปบังคับมันให้ให้ไม่สนเราต้องเอาอะไรที่ดีๆไปล่อมันนะ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 ทำถูกทํำยังไงถ้าจะรู้ลมหายใจนะเห็นร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูสบายๆเหมือนดูคนอื่นหายใจเราไม่มีส่วนได้เสียนะแค่ระลึกไปเห็นร่างกายนี้หายใจไปเรื่อยจะเริ่มรู้สึกเหมือนร่างกายนี้เป็นคนอื่นไม่ใช่ตัวเราหายใจไปหายใจไปจิตแอบไปคิดรู้ทันว่าจิตไปคิดนี่เห็นเลยจิตมันแอบไปคิดได้เองจิตมิ้ไม่ใช่ตัวเราเมืางคนดูท้องพองยุบนะเห็นร่างกายมันพองเห็นร่างกายมันยุบจิตเป็นคนดู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 แทนที่จะออกมารู้โลกอย่างที่มันเป็นอยู่ทำสมถะ dafür, แล้วก็หลบอยู่ข้างในไปนานๆนี่อันตรายลูกระเบิดมาก็หนีไม่ทันนะเมื่อแต่มองด้วยใจที่ว่างเปล่าันเสร็จเลยต้องต้องตีนว่ายไว้นะมือเท้าให้มันว่องไวไวเวลาใช้อย่างนี้ดีกว่านะถ้าเขาเป็นชาวพุทธนะ่ะให้เขาคิดถึงพระพุทธเจ้าเรื่อยๆนะแทนที่จะให้คิดถึงลูกถึงเมียแล้วก็เศร้าโศก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 แค่เขาทุกข์ใจแล้วเขามานั่งบนให้หมอฟังเขาก็สบายใจได้ชั่วคราวได้ช่วคราวที่ดีที่สุดนะที่จะช่วยเขาได้ในระยะยาวนะค่อยๆฝึกให้เขารู้สึกตัวขึ้นมาอย่างเวลาเขาทุกข์แล้วก็จะฟุ้งๆไปในโลกของความคิดนะคิดวนไปอดีตวนไปอนาคตเนี่ยค่อยๆกระตุ้นค่อยๆทาให้เขารู้รู้สึกตัวขึ้นในปัจจุบันถ้าเขารู้สึกตัวขึ้นในปัจจุบันเมื่อไร่ได้เขาหายเลย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 งั้นถ้าจะพูดถึงหลักแต่ละท่านคงจะเก่งวตมาว่าจะทำยังไงเวลาเจอคนไข้แต่ถ้าตมาเจอคนเป็นโรคอย่างนั้นคนเครียดเคียดมาเนี่ยบางคนต้องการปรับทุก น, นะก็ให้เขาปรับทุกไปก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยๆพอความรุนแรงในความรู้สึกลดลงแล้วอนะไรเงี้ยค่อยๆกระตุ้นให้เขาหันรู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกไหมตอนที่กลุ้มใจตอนที่ทุกนเนี่ยมันเป็นตอนที่เราคิดเ อ, อทาทั้งนั้นเลย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 ันก็ยังสับสนอยู่ครับถ้าเราจงใจดูนะแรกเลยจงความจงใจที่จะดูเนี่ยถ้าพูดภาษาพระนะมันมีปัญหามีความอยากนำไปละสติจะไม่เกิดนะถ้าเราอยู่ๆก็จงใจดูไปจ้องไว้รอดูว่าเมื่อไรจะเกิดทุกอย่างจะนิ่งมันจะกลายเป็นการเพ่งคือก็ผมหมายความว่าดูก่อนคือพิจารณาก่อนว่าเออมันเป็นอย่างไรเราจรึงเกิดอารมณ์ตาม